วันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2538เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตตนิกายเรื่องปฏิจจสมบทบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัต t ท่านสาธุชนที่เคารพการบรรยายพระสูตรในครั้งนี้จะอธิบายพระสูตรทั้งหมด4สูตรเนื่องจากว่าพระสูตรทั้ง4สูตรนี้มีเนื้อความที่ ซ้ำกันบ้างแล้วก็คล้ายกันบ้างแตกแตกต่างกันบ้างเป็นบางส่วนประสูตรแรกของวันนี้คือสูตรที่มีชื่อว่าปัจเจยสูตรเขาแปลว่าเรื่องปัจจัยว่าโดยผู้รู้ปัจจัยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิประสูตรนี้มีเนื้อความว่าชลามรรต์พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระพาดได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายเพราะเอาพิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณโดยลําดับไปจนถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้อันนี้ก็เราละองค์ที่เหลือไว้เนื่องจากว่าเป็นเนื้อความที่กล่าวถึงซ้ําบ่อย มาตลอดจากนั้นได้ตรัสขยายความขององค์สิบสองมีเนื้อความว่าดูก่อนพิสูน์ต่งหลายข้อชลาและมรณะเป็นไนความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมหงอกหนังเป็นเกลียวความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมูสัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชลา อันนี้ก็เป็นการนิยามความของคำมัจจาความเคลื่อนภาวะของความเคลื่อนความทําลายความอันตรธานมลติอยู่ความตายการลกิริยาความแตกแข่งขันความทอดทิ้งซากศพความขาดแห่งชีวิตดินสีจากหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี่เรียกว่ามรณะจะลาและมรณะดังปณ น, นามาชนีเรียด ว่าชรามรณะเพราะชาติเกิดชรามรณะจึงเกิดเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับอเลียมัสมีองค์แปดนี้เท่านั้นคือความเห็นชอบหนึ่งความรำรีชอบหนึ่งบาจาชอบหนึ่งการงานชอบหนึ่งอาชีพชอบหนึ่งหนึ่งความพยายามชอบหนึ่งระลึกชอบหนึ่งความตั้งใจชอบหนึ่งเป็นข้อปฏิบัติ ให้ถึงทมเป็นที่ดับชรลามรณนะนี่ก็เป็นการขยายความสำหรับองค์ อ, อื่นคือชาติเป็นอย่างไรพบเป็นอย่างไรไปจนกระทั่งถึงสังขารเป็นเนื้อความที่ละไว้เนื่องจากว่ารายละเอียดเหล่านี้ซ้ำกับพระสูตรที่ชื่อว่าพิวิพังกระสตร ที่ได้กล่าวแล้วในสูตรที่สองของวรรคที่หนึ่งเราเรียนมาถึงวรรคที่สามนะคคือสูตรชุดที่ที่สามสิบสูตรนี้จะย้อนไปถึงชุดที่หนึ่งจะมีสูตรลำดับที่สองชื่อว่าวิพังกสูตรท่านได้อธิบายความหมายของคำว่าชาติคืออะไรเป็นการนิยามความหมายอย่างชัดเจนก็เพื่อไม่ให้ซ้ำสากจึงได้ละไว้ แล้วก็เราจะไม่อธิบายในรายละเอียดในส่วนเหล่านี้เป็นเชิงอถ า, าธิบายอะไรกันมากอีกนะครับขอได้กรุณาพลิกไปหน้าที่สองได้จากต่อว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก้อสังขารเป็นชไหนดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสังขารสามประการเหล่านี้คือกายสังข า, วารวจีสังขารจิตสังขาร น, นี่เรียกว่าสังขารสังขารสามกายวาจาใจก็คือกรรมทางกายทางวาจาทางใจนั่นเอง แล้วก็ตรัสเป็นน้องเดียวกันต่อไปอีกว่าเพราะอาวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดเพราะวิชาดับสังขารจึงดับอริยมรรคมีองค์แปดนี้เท่านั้นคือความเห็นชอบหนึ่งไปจนกระทั่งถึงความตั้งใจชอบหนึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสังขาร น, นี่ก็เป็นเนื้อความส่วนที่ผมอ่านแต่จะไม่อธิบาย จะดูในประเด็นที่สามซึ่งเป็นเนื้อความยังไม่เคยพูดถึงในสูตรก่อนหน้านี้เลยเมื่อได้ทรงแสดงถึงปฏิจจ์ในรูปของปฏิยของปฏของอริยสัจสี่ทั้งสิบสององค์จบมาแล้วก็ได้แสดงถึงผู้ที่รู้อย่างนั้น ขึ้นหัวข้อว่าผู้รู้ปัจจัยปัจจัยหมายถึงอวิชชาแต่ละองค์ที่เป็นปัจจัยมาโดยลําดับแก่กันและกันเนี่ยนะตรัสว่าดูก่รวิสูทั้งหลายในการใดแลอริยสาวกรู้ทั่วถึงปัจจัยอย่างนี้รู้ทั่วถึงเหตุเกิดปัดจจัยอย่างนี้รู้ทั่วถึงการดับแป่งปัจจัยอย่างนี้รู้ทั่วถึงข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแปงปัจจัยอย่างนี้ในการนั้นอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิบ้างเป็นต้นอ่านแค่นี้เราย้อนกลับมาพูดถึงที่ท่านตรัสว่าอริยสาวกรู้ทั่วถึงปัจจัยคำว่ารู้เนี่ยจะ ถ, ถามว่ารู้ด้วยอานาจของญาณใดไม่ใช่รู้ด้วยปริยัติอย่างที่เรากาลังเรียนถึงนี้ แต่เป็นการรู้ด้วยปฏิบัติและคําว่าปฏิบัตินั้นไม่ได้หมายถึงรู้ด้วยวิปัสนาญาโลกีไม่ใช่วิปัสนาญาโลกีวิวัฒนาญาลกีก็คือญาณที่หนึ่งนามรูปปริเจทะยานไปจนกระทั่งถึงสังขารรูปเปรขายญาณซึ่งเป็นญาณที่สิบเอดเนี่ยนะนี่เป็นวิปัสนาญาโลกีไม่ได้หมายเอาในที่นี้ในที่นี้ท่านหมายถึง รู้ด้วยมักคขยานรู้ด้วยมักคขยานมัรคขยานเมื่อรู้ปฏิจจะไอ้ปฏิจจะทั้งสิบสององเนี่ยความจริงก็คือนามรูปแต่ละชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกันนั่นเองแต่เวลารู้นั้นจะรู้ที่ท่านอธิบายตัวนี้ว่าเป็นการแยกส่วนอย่างเป็นรูปของอริยศัจทรี ที่กล่าวว่ารู้ทั่วถึงปัจจัยเนี่ยหมายถึงทุกหมายถึงทุกรู้โดยความเป็นทุกขคำว่าปัจจัยคืออย่างเช่นอ า, อาวิชาเป็นองค์หนึ่งเป็นทุกหนึ่งที่เกิดมาจากสังขารอาวิชาไม่เที่ยงสังขารคือกรรมก็เป็นองค์หนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้เกิดวิชานะและเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดนี้นะอย่างที่เราได้พูดกันมาในสูตรก่อนหน้านี้นะว่าการกำหนดปฏิจจัยอย่างฐานะเป็นทุกอย่างฐานะเป็นทุกเนี่ยท่านจะพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนอย่างคนกำหนดรู้ในการทำวิปัสสนาหละ แต่ว่าในที่นี้ท่านหมายถึงมักคยานเกิดขึ้นรู้แจ่มแจ้งนามรูปนั้นโดยความเป็นทุกข์เป็นของไม่น่าปรารถนาเป็นของที่ไม่น่าต้องการเป็นอนิจจังทุกขังนันตานั่นแหละเพราะไม่หลงในทุกข์อีกแล้วนี่เป็นส่วนแห่งการรู้ในเชิงทุกข์ก็เลยเป็นว่าทุกขสัตว์ในเชิงปฏิจจานะมีสิบสองหน่วย ปฏิจจ์ทั้งสิบสองนั้นมีฐานะเป็นทุกข์อย่างกล่าวถึงโดยความเป็นผลต่อไปรู้ทั่วถึงเหตุเกิดปัจจัยอย่างนี้ก็หมายถึงอวิชาองค์ขอโทษปฏิจจะองค์ที่กล่าวอย่างในฐานะเป็นเหตุ ตรงนี้นะความจริงเราเคยพูดแล้วแต่ก็คงจะต้องมีการย้ํากันอีกสักทีหนึ่งว่าถ้าถามว่าวิญญาณมีฐานะเป็นทุกข์หรือเป็นสมุ ท, ทยัยเราต้องตอบว่าเป็นทั้งสองอย่างคือเป็นทุกขด้วยเป็นสมุทัยด้วยกล่าวอย่างเป็นทุกขหรือรู้อย่างเป็นทุกน่นะคือรู้ตรงมุมไหนนี่มันมีสองมุมอะ ถ้ารู้วิญญาณอย่างเป็นผลเรียกว่ารู้อย่างเป็นทุกรู้อย่างเป็นผลกำหนดรู้อย่างไรในสูตรก่อนก่อนได้บอกว่าวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณเนี่ยเกิดจากนามลูกและเป็นของไม่เที่ยงนี่คือรู้อย่างเป็นทุกเหมือนอย่างคนทำวิปัสสนากำหนดรู้พยายามกำหนดรู้นามลูกอย่างเป็นทุก อ่ข้อนี้เนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าเราพูดถึงตัวเราเองทั้งตัวอย่างไม่แยกหน่วยตัวเราทั้งตัวเนี่ยมีฐานะเป็นทั้งเหตุและผลอยู่ในสภาพเดียวนั้นใช่หรือไม่ตัวเราเนี่ยเป็นผลด้วยการมองในมุมผลนั้นให้ท่านบอกไว้ในประสรที่ผ่านมาแล้วว่าให้มองอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา นั่นคือมองอย่างในฐานะเป็นผลมองอย่างในฐานะเป็นเหตุก็คือร่างตัวเราเนี่ยลิขิตชีวิตตัวเราใช่ไหมโดยหลักใหญ่เหตุปัจจัยใหญ่นะอันอื่นถือว่าเป็นเครื่องมือให้กับตัวเราเองเท่านั้นเองเรานี่แหละทาตัวเองเรา ตกนรกก็เพราะตัวเราเองขึ้นสวรรค์ก็เพราะตัวเราเองมีสุขก็เพราะตัวเราเองมีทุกข์ก็เพราะตัวเราเองลมเหลวก็เพราะตัวเราเองประสบความสาเร็จก็เพราะตัวเราเองตาบอดก็เพราะตัวเราเองตาดีก็เพราะตัวเราเองนี่ตัวเราเองเนี่ยมีฐานะทั้งเป็นเหตุและเป็นผลอยู่ในตัวเองตอนที่เราฆ่าสัตว์เป็นเหตุหรือเป็นผลเป็นเหตุตอนที่เราถูกเขาฆ่า เป็นผลเนี่ยว่าอย่างหยาบๆนะนี่อันนี้พูดอย่างรวมๆนี่พอมาพูดถึงเป็นเชิงธรรมะเนี่ยอย่างปฏิจจานยเขาแบ่งเป็นส่วนๆแบ่งเป็นส่วนเพราะแบ่งเป็นส่วนแล้วก็ยังอยู่ในฐานะเป็นทั้งเหตุทั้งผลอยู่นั่นเองเมื่อมองอย่างเป็นผลเรียกว่ามองอย่างเป็นทุกข์เป็นปรากฏของทุกข์เป็นอุบัติของทุกข์ เป็นผลิตผลที่เป็นทุกข์นี่เป็นเรื่องธรรมะขั้นสูงและมองอย่างเป็นเหตุก็คือมองอย่างตัวเองเป็นผู้ทาตัวเองแล้วถ้าเราพูดอย่างเป็นส่วนก็ได้พูดอย่างเป็นส่วนเราเราชี้ไปไหนทะี่มโนชี้ไปที่ตาตาเกิดขึ้นเพราะตาใช่หรือไม่ อเนี่มองอย่างมันก็พูดไม่ใช่วางแง่มันก็ถูกแต่ที่ผมก็ลองจะพูดเนี่ยพูดในแง่ที่ถูกเพราะเรามีตาได้เห็นรูปจึงเกิดรูปปตัญหาสะสมไว้และอำนาจของรูปปตัญหาเนี่ยจึงทำให้เราเมื่อเกิดใหม่จึงต้องมีตาเนี่ยทุกทุกส่วนเนี่ยครับมันเป็นเหตุ แล้วก็ทําให้มันเกิดอาการอย่างนั้นขึ้นมาอีกเป็นไปอย่างนี้ทั้งตัวต่างกันแต่ว่าไอ้ลักษณะของความเป็นเหตุหรือพลังความเป็นเหตุเป็นในมุมไหนเท่านั้นเองนี่เป็นเรื่องรายละเอียดถึงผมจะไม่พูดเจาะไม่พูดแค่ใครเข้าไปถึงนั้นหรือแม้แต่เรื่องเพศเป็นผู้หญิงก็เพราะผู้หญิงเป็นผู้ชายก็เพราะผู้ชายก็เพราะความเป็นชาย พอเป็นชายแล้วก็เกิดความชอบใจในความเป็นชายก็เกิดเป็นชายเกิดเป็นหญิงแล้วก็ชอบใจในความเป็นหญิงก็เกิดเป็นหญิงถ้าไม่มีไอ้เหตุอักเสบอันอื่นนะพูดอย่างเหตุธรรมดาของมันที่มันมันเป็นไปนี่แต่พูดอย่างนี้นะมีแง่มุมให้ชวนคิดคานอะไรอะไรเยอะแต่ผมไม่สนใจแล้วตอนนี้ผมก็พูดเอาส่วนที่ ท, ทั่วไปอย่างนี้ก่อน นั้นเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยหรือทุกข์อย่างพูดกระจายอย่างปฏิจจาเหตุที่พูดอย่างในเชิงปฏิจจาเป็นอีกแบบหนึง่งพูดอย่างในเชิงอริยสัจสีท่านคำโอดทุกข์ท่านอีกแบบแล้วก็ชี้ตัวสมุทยัยของท่านอีกแบบหนึง่งต่างหมดกันคือในในอริยสัจเนี่ยท่านเอาตัวตัวสําคัญตัวตัณหานะฮะแล้วก็เอาตัว ตัญหาที่เป็นสมูทายด้วยอำนาจของปัจจัยรูปนั้นรูปเดียวรูปนั้นรูปเดียวก็คือรูปของความเป็นปกตูปนิสัยปัจจัยเท่านั้นแต่ในปฏิจจานเนี่ยท่านเอาสมูทายหลายตัวแล้วก็เอาหลายรูปของปัจจัยคือทั้งในรูปที่มันเป็นกรรมในรูปที่มันเป็นกิเลส ในรูปที่มันเป็นวิบากเรื่องนี้เป็นเรื่องความลึกของข้อธรรมต่างข้อที่เรายังไม่ได้พูดเอากันชัดในตอนนี้ผมก็ยังพูดเป็นเลาๆก่อนอต่อไปก็ได้กระตรัดถึงรู้ทั่วถึงการดับแผงปัจจัยคำว่าดับตรงนี้หมายถึงอะไรไม่ได้หมายถึงการเกิดดับ ไ ม, ม่เกิดดับหมายถึงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่ดับตรงนี้หมายถึงการละการละเหมือนยังดับตัณหาเนี่ยรู้การดับตัณหาไม่ได้หมายถึงรู้ว่าตัณหาคือขึ้นตังอยู่ดับไปไอ้รู้อย่างนั้นนั้นมันถือเป็นเรื่องรู้อย่างวิปัสสนารู้อย่างเป็นทุกข์รู้อย่างในฐานะทุกข์รู้อย่างในฐานะนามรูปนั่นแหละแต่รู้อย่าง สมูทยัยอย่างการดับสมูทัยนั้นหมายถึงรู้ด้วยอาการที่ทำไม่ให้มันเกิดอีกต่อไปในฐานะนั้นๆในขั้นนั้นๆถ้าเป็นอรหันต์ก็ไม่เกิดเลยโดยไม่มีข้อแม้นี่เรียกว่าดับเพราะฉะนั้นรู้ที่ว่ารู้ดับเนี่ย อ, อย่างสมมติว่ารู้วิญญาณรู้ความดับของวิญญาณในที่นี้หมายก็ว่าทำวิญญาณ น, นั้นไม่ให้เกิดอีกต่อไปด้วยเกิดเนี่ยเกิดอันนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างอยากหน่อยแต่ว่าก็ไม่รู้จะพูดไงแต่จะพูดให้ฟังว่าอย่างวิญญาณที่จะปฏิสนธิต่อไปไม่มีทำไม่ให้ปฏิสนธิต่อไปอ น, นี่เรียกว่ารู้ รู้อย่างเป็นศักยภาพที่ทำให้มันดับไม่ให้ปฏิสนธิต่อไปไ้ดับทั้งในส่วนวิบากดับทั้งในส่วนกิเลสอย่างเช่นรู้อาวิชาดับอาวิชาไม่ให้มันแสดงพลังทางเหตุต่อไปอหรือว่ารู้อย่างในส่วนขอ ง, องเมื่อกี้ก็กิเลสนะแล้วก็วิบากแล้วต่ำรู้อย่างในจางกัมดับอย่างสังขาร ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ทำกรรมนี่พูดถ้งอหรหันต์สิ้นกรรมรู้อย่างมีพลังมีสักยภาพทำให้การกระทำของตัวเองไม่เป็นบุญเป็นบาปอีกต่อไปในอนาในอนอาคตที่มันเป็นผลสืบทอยกันต่อไปเนี่ยนะแต่ว่าไอ้ปรากฏการของนามลูกที่มีอยู่ขณะนั้นก็ยังมีแต่อย่างที่ผมเคยพูดเป็นบุหารเปรียบเทียร์แล้วว่ามันมีอยู่อย่างในฐานะที่เป็นแผลเป็น นะเป็นแผลเป็นพระอาหารหันต์ที่ยังไม่เข้าสู่อนุปาทิเสสารเนี่ยดับปฏิจจาแล้วนะถือว่าดับแล้วหายจากโรคปฏิจจาแล้วพ้นจากปฏิจจาแล้วแต่ที่ยังมีปฏิจจะบางองค์กระหลอมกระแหลมอยู่เนี่ยในบางส่วนเนี่ยคืออวิชานะไม่มีไม่มีเลยสังขารที่เป็นกรรมไม่มีก็ไม่มีเลยอาหารหันต์ไม่มีสังขารใช่ไหมใช่กรรมไม่มี วิญญาณมีบางส่วนไอ้พูดถึงวิญญาณปัจจุบันเนี่ยจิตน่ะนามรูปมีบางส่วนอะไรเงนี้แต่อันนี้เขาเรียกว่ามีอย่างในฐานะที่มันเหมือนเป็นกากเดนของกิเลสเก่าตัณหาเก่ามันจึงเหมือนเป็นแผลเป็นนะเตรียมให้ฟังตัวนี้อย่างสมมติว่าเราไปไปผ่าตัดมา แผลหายแล้วเชื่อโลกไม่มีหนองไม่มีหายสนิทจริงๆแต่มันยังเป็นแผลเป็นอยู่จะกล่าวว่าหายหรือไม่หายก็ต้องกล่าวว่าหายใช่ไหมแผลเป็นของพระอรหันต์จะหายหายเมื่อไหร่อน า, นานุปาทิเสสนิพานแผลเป็นหายทันทีไอ้ไอ้กากเดนติงหลงเหลือเนี่ยหายเรียบหมดไม่มีเหลือแล้วแต่ในขณะที่ยังอันยังไม่ไม่ปริณิพานเนี่ยพิษ หรืออันตรายจากบาดแผลไม่มีของเราเนี่ยมันมีทั้งแผลเป็นแล้วมีทั้งแผลแผลเป็นแล้วคู่กับแผลตายไกลเดียวกันแผลเป็นกับแผลทำให้ตายแผลอย่างไงแผลที่ที่เป็นลองเป็นแผลนั้นทำให้ตายได้ไงอาจตายได้นะเรียกว่าแผลตาย ไอแ้แผลเป็นก็คือเป็นแผลแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้ไม่เสี่ยงตายไอ้นี่พูดเล่นๆนะไม่ได้มีตำราปจจนานุกรมก็ว่าไว้นีครับมันลามก็อย่างเงี้ยพอไอ้ไอ้กรสิ้นฤทธิ์ไปมันก็เหลือก า, กากเดนอะไรอยู่นะและไอ้แสบใหม่มันก็เกิดต่อสืบเนื่องกันเรียกว่าแผลเฟแผลลามแผลขยายตัว เพราะฉะนั้นที่ว่ดับเนี่ยท่านจึงหมายถึงดับด้วยอาการอย่างแผลที่เป็นอันตรายไม่ใช่แผลเป็นในเบื้องต้นแล้วข้อสี่คือรู้ทั่วถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นปัจจัยคำามารู้ตรงนี้ไม่ใช่ว่ารู้แล้วยังไม่ได้ทำแต่หมายถึงเป็นความรู้ที่เป็นการกระทำรู้ด้วยการกระทำรู้ในขณะกระทากระทาด้วยรู้ด้วย ถือว่าเป็นนั่นคือความรู้ไงเหมือนเราคูดร่าภาวนาเนี่ยรู้ภาพปฏิบัติหรือภาวนาใหม่ความรู้ในภาวนาเนี่ยกระทำอยู่แล้วรู้อย่างในขณะนั้นนั่นเองไม่ใช่ไม่รู้แต่ยังไม่ได้ทํารู้ด้วยทําด้วยรู้เดี๋ยวนั้นทําเดี๋ยวนั้นเป็นผลเดี๋ยวนั้น นี่คือสรุปเป็นเชิงปัจไตอสีอไม่ใช่อาิยสัตสีจึงได้ปรับถึงสถานะที่ผู้ปัสรุปฏิจจาอย่างเป็นรูปรอยอาิยสัตสีว่าหรือพูดสั้นๆก็คือว่าเป็นพระอาิยยบุคคลแล้วอาิยะบุคคลตวเนี้ ท่านหมายให้เอาอาริยะบุคคลที่แค่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงอานาคะนะเรียกว่าเค่ายกอราหาันไว้ก่อนไม่พูดถึงพาาระอรหันก็ชื่อว่ารู้อย่างนี้เหมือนกันการดับ ปฏิจจาก็ดับบางส่วนที่โสดาบันดับได้สกท า, าคาดับได้อนาคาดับได้ดับสนิทในส่วนนั้นอย่างแท้จริงอหรหันต์ก็ดับหมดไม่มีเหลื อ, อท่านได้กล่าวว่าในในการนั้นคําว่าการนั้นเนี่ยหมายถึงการขณะแห่งมรรคจิตขณะเดีย ว, เ ด, ยวเดียวเนี่ยไอของเราเนี่ยเราฟังดูมันไม่รู้สึกเป็น มันเดียวเดียวมันเหมือนไม่มั่นคงมันเหมือนไม่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะมันเหมือนไม่ใช่เรื่องเอาเป็นที่พึ่งอะไรได้ขนาดนั้นไอเราเองนะเราเราไม่ถึงเรามีความ ร, รู้สึกอย่างนั้นแต่ในอารมณ์ในความรู้สึกของพระอริยะเนี่ยขณะเดียวของท่านเนี่ยเรื่องใหญ่ขณะเดียวของท่านพูดได้ไม่รู้จบ ไอ้ของเรามันจบไม่รู้จะพูดว่างไงพท่านพูดได้ไม่รู้จบมันเรื่องใหญ่มันเรื่องประทับใจเรื่องที่เหมือนว่าเวลามาตั้งวงแล้วก็ควรแก่การที่จะเอามาอวดกันได้เหมือนเรามีของมีค่าเวลาตั้งวงแล้วก็มาอวดกันได้อะไรเงี้ยนะแต่พระอรหันต์ท่านาไปเอาวัตถุกรรมมามาแสดงกันมายังความจื่นโจมไม่เกิดแก่กัน แต่นี่คือสิ่งหนึ่งพูดแล้วก็ท่านก็มองความเข้าใจกันได้ทะลุถึงจิตใจกันได้เป็นทํานองอย่างนี้จึงเป็นเรื่องเป็นสาระใหญ่พระพุทธเจ้าเมื่อพูดถึงเจาะเข้าไปที่จิตดวงนี้ดวงดีในะเป็นเรื่องกระเทือนใจใหญ่เป็นเรื่องตื่นเต้นใหญ่เป็นเรื่องอนาจาักใหญ่ของหมู่อริยะที่ได้ฟัง ทั้งที่เหมือนของชั่วแลนเดยขนาดจิตแต่ว่าความหลงเหลือของความรู้ความอย่างรู้ที่จะติดสันดานมันติดไปได้ตลอดหละแต่ปรากฏการจิตที่เป็นหลักชัยจิตที่เป็นประธานของการนึกลึกนกลับมาถึงจิตที่ท่านไม่ลืมความรู้สึกอันนี้เลยคือมักคจิตไม่ลืมเลย ถ้าถามว่าอะไรเป็นยอดของความประทับใจของพระอริยทั้งหลายตอบว่ามรรคจิตของท่านของท่านเหล่านั้นนั่นเองเป็นยอดของความประทับใจเพราะฉะนั้นท่านจึงได้แจกแจงว่าขณะแห่งมรรคจิตเนี่ยในการนั้นคือในการแห่งขณะมรรคจิต เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิบ้างคาว่าสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิของท่านหมายถึงปัญญาในมรรคจิตนั้นถึงความสมบูรณ์สมบูรณ์คื อ, อเมื่อท่านได้ปัญญาอย่างนี้แล้วมิจฉาทิฏฐิอะไรต่อะไรความเห็นนอกรูนอกทางความเห็นปิกลวิการต่างๆไม่มีนี่ธรรมะเรียกผู้มีปัญญาสมบูรณ์ ตามขั้นที่ได้นั้นๆอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยเรื่องชีวทัศทัศนะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเรื่องกรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าที่เลยครับเข้าที่แล้วมั่นคงเลยติดเนื่องไปทุกภพทุกชาติเมื่อท่านยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่สำหรับพระโสดาบัน ต่อไปเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะบางนี่ท่านบอกว่าไอ้ทัศนะเนี่ยความจริงก็เป็นไวโพ์เรียกปัญญานั่นแหละพูดเป็นตรัสเป็นโวหารทัศนะคือความรู้ความเห็นที่สมบูรณ์ที่เราได้ยินจากวิสุทธิเจ็ด ถ้าเราจะนึกทบทวนดูอย่างเช่นมัคคามัคะยาณทัศนะ์วิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งยานทัศนะที่รู้ทางไม่ใช่ทางไม่ได้หมายเอาในที่นี้หมายเอาสูงกว่านี้สําหรับในในใ น, ในข้อความในพระสูตรเนี่ยนะสูงกว่ามัคคะมัคคาไม่เรียกว่าทิฏฐิไม่เรียกว่าทัศนะที่สมบูรณ์ทัศนะ ในวิสุทธิที่สองคือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเป็นวิปัสนาญาณสูงขึ้นมาอีกหน่อยแต่ยังไม่ใช่ทัศนในที่นี้ต่อมาก็ญาณทัศนวิสุทธิญาณทัศนวิสุทธินั่นแหละหมายเอาในที่นี้ คือการเห็นด้วยญาณอันบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ผมถึงว่ามันมัคจิตขนาะเดียวเนี่ยมองมองดูเท่าที่พูดนะเราฟังๆังแล้วก็อ่านแล้วก็นึกเป็นมโนภาพนึกตามความเข้าใจไปไมมันเหมือนกับไอ้ไอ้พลังงานนิวเคลียร์อะไรก้อนเล็กๆเนี่ยนะโอ้โหแต่ในนั้นเนี่ยมันอนุภาพใหญ่เหลือเกินในก้อนเล็กๆเนี่ยยิ่งใหญ่มาก แล้วถ้าปล่อยให้มันระเบิดออกมามันทำให้เกิดพลังงานนั้นใหญ่หลวงมากมรรคจิตเป็นอย่างนั้นมีพลังแล้วใครที่ได้มรรคจิตเลยกลายเป็นคนมีพลังสูงเป็นคนที่มีพลังสูงมากมรรคจิตเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้อะที่พระพุทธเจ้า ต, ตรัสศาสนาจะอยู่ได้ด้วยใครอ่ะ คนที่ทำให้ศาสนาสู์คนทำให้ศาสนาอยู่ก็อยู่ที่พุทธบริษัทพุทธบริษัททำไงที่จะอยู่ได้ดีที่สุดทำยังไงเราก็อธิบายข้างล่างๆโดยทั่วไปนะในว่าที่เราพูดพูดกันที่เข้าใจกันง่ายๆก็ได้แต่ว่าศาสนาจะอยู่ได้ในพุทธบริษัทคือพุทธบริษัทที่ได้มรรคได้ญาณเนี่ยมันเกิดตะบะ เราเรามานึกดูว่าขนาดคนที่ปฏิบัติทําได้ผลในชั้นๆั้นเราๆเนี่ยยังช่วยศาสนาได้ตังเยอะจริงไม่จริงพระที่ปฏิบัติได้อยู่ไหนอยู่ไหนมไม่ได้ทําอะไรได้ช่วยศาสนาได้ตังเยอะเอาอะไรออกมาช่วยท่านเอาพลังตรงไหนขึ้นร่าออกมาช่วยใช่ไหมนี่คือพลังพลังทางโดยมากก็พูดกันทางลิตรเห็นเข้าใจง่ายหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจิตเหมือนกัน แต่ในที่นี้คือพลังทางมรรคยานเราลองคิดสมมติว่าท่านสักคนหนึ่งเป็นพระโสดาบันแล้วก็ออกไปโลดแล่นอยู่ในบ้านในเรือนในสังคมของท่านเนี่ยถามว่าเหมือนคนอื่นไหมไม่เหมือนมีพลังไหมมีพลังที่จะทำให้คนเลื่อมใสศาสานาได้ไหม มีพลังที่จะชักชวนบอกกล่าวเล่าขานอะไรก็ให้เอาธรรมะไปช่วยเขาได้ไหมได้มากแนะ่ขอให้นึกถึงคนที่ปฏิบัติธรรมดีๆแล้วมีพลังนะเป็นพระบางเป็นโยมบางเดีย๋ยนี้ก็มีจะถึงขั้นไหนนะเราไม่รู้หรอกแต่ที่เรากำลังพูดเนี่ยเป็นภาพของพระอริยะมีพลังมากนั้นศาสนาพุทธจึงอยู่ได้ โดยพุทธบริษัทธ์สี่บริษัทธ์สี่ถึงธรรมสูงก็รักษาศาสนาไว้ได้สูงถึงธรรมต่ำก็รักษาศาสนาไว้ได้ตามธรรมที่ตัวถึงสมมติว่าเราเกิดมีคนนอกศาสนาจะมาไล่ฆ่าแต่สมมติเางนั่งอยู่นี่เป็นอริยะทั้งนั้น แล้วเราก็ไม่คิดเนี่ยเราก็เป็นอรรยฆ่าสัตว์ไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปสู้ลบปบมือปลาอาย์ไม่โดนฆ่าตายหมดเลยผมว่าเขาไม่ฆ่าส ม, มุนโ่าพระโสดาบันนั่ง น, นี่นะโจรมาแค่เหน็นหน้าไปสบตาโจรโจรเก่าอ่อนเลย <laughs> มันดูแล้วมันไม่ชวนให้ฆ่านะเพราะว่าคนเราเนี่ย เวลาใครก็จะมันมีมันมีไอ้แรงยั่วยวนให้เขาเกิดกิเลสอย่างนั้นนะถ้าเราไม่มีแรงยั่วยวนที่จะทําให้เขาเกิดความโกรัวความหมั่นไส้อะไรอย่างนี้นะเช่นว่าแม้แต่กลัวยังยั่วยวนเลยนะเราะว่าเขาเขาด่าเราหน้าบึ้งยั่วแหละเรายั่วอะไรหรือเขาไล่ไล่ยิงเราเราวิ่งหนีกลัวหวสู้หัวซุนยั่วไหม ย, ยั่ว แล้วจะให้ทำไง น, นี่เราเนี่ยคนไม่ถึงธรรมะก็ตกใจหนอนเลยนะแต่ถ้าคนมีธรรมะเนี่ยมันเกิดตำบามันเกิดไอ้กำลังที่จะไปฝืนต้านกระแสะเหล่านี้ได้ตามสมควรแก่ธรรมะที่เรามีทั้งคนทั้งสัตว์เหมือนกันพูดแล้วพยายามนึกด้วย เ, เองนะแล้วก็ดูๆตัวเองด้วยว่าตัวมีพลังแค่ไหน เราก็ต้องมีพลังทุกคนน่ะมีมากแค่ไหนยังไงเงื่อนไขต่างกันไปถ้ามาเข้าวัดอย่างใกล้ชิดอย่างนี้ไม่มีพลังก็ผมว่าจะบอกว่าอย่าเข้าไม่ดีเดี๋ยวไม่เข้าจริงๆต้องมีพลังกันตามสมควรผิดไปจากคนพื้นบ้านโดยทั่วไป อที่ท่านกล่าวว่าถึงสัตธธรรมมาถึงสัตธธรรมสัตธธรรมเนี่ยก็คือสัจ ธ, ธรรมนะถ้าพูดอย่างฟังและรู้เรื่องเลยคือสัจ ธ, ธรรมทำอันเป็นจริงก็ได้ทำอันดีก็ได้ทำอันประเสริฐก็ได้ก็เอาความว่าทั้งจริงและทั้งดีทั้งจริงจริงตรงนี้ดีตรงนี้เอาสุดยอดเอาสูงขั้นโลกุตระ เราเคยได้ยินคำว่าสัตตธรรมเก้าสัตตธรรมเก้ามีมัคสีผลสีนิพานหนึ่งเรียกว่าสัตตธรรมเก้าสำหรับสัตธธรรมในที่นี้นะท่านเอามัคเป็นหลักเอามัคเป็นหลักเพราะมัคนั้นเป็นจุดถึงจุดแรกที่พระอริยะชั้นนั้นๆเข้าถึง แล้วก็คำว่าเห็นสัทธธรรมก็เหมือนกันอธิบายคล้ายกันมาถึงนั้นพูดอย่างการเข้าถึงการเดินทางไปถึงและเห็นนั้นพูดเทียบเหมือนกับตาเห็นแต่นี่เห็นได้ยางถึงด้วยเห็นด้วยไม่ใช่ถึงแล้วไม่เห็นหรือเห็นแต่ไม่ถึงเลยนะ มันอันนี้เป็นคำภาพพจน์ต่างกันนิดหน่อยถึงแต่ไม่เห็นมีใช่ไหมครับถ้าถ้าไม่ใช่ไม่ใช่โลกุตละลกุตละนี่ถึงแล้วต้องเห็นคนได้มาขยานน่ะถึงด้วยเห็นด้วยนะแต่แต่ถ้าพูดถึงไอ้โดยธรรมดาทางกายภาพเนี่ยบางทีถึงก็ไม่เห็นเห็นแล้วไม่ถึงสมัยพุทธกาลก็มีเยอะบานอยู่ใกล้วัดภววกริเห็นด้วยไม่ใช่ อันนี้เห็นแต่ไม่ถึงเพราะว่ากะลีใช่หเห็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ถึงพระพุทธเจ้าอะไรอย่างี้นะหรือในกรณีอื่นก็มีอีกเยอะแยะแต่เรื่องของยานเนี่ยต้องเห็นด้วยและถึงด้วยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ที่พูดอย่างสำนวนไทยก็คือ ตาอะไรนะมือตาดูแล้วมือต้องนะตาดูแล้วมือได้ต้องต่อไปที่ท่านกล่าวว่าเป็นผู้ประกอบได้ยญาณอันเป็นเศษขะก็หมายถึงมักคยญาณที่เป็นโสดาสกาทาคาอนาค า, าสามระดับเรียกว่ายาณอันเป็นเศษขะในที่นี้ท่านไม่พูดถึงปลาหลานเพราะว่าท่านพูดถึงอริยะในส่วนแรก จากปุถุชนมาสู่อริยะต่อไปท่านกล่าวว่าเป็นผู้ประกอบด้วยวิชาอันเป็นเสกค่ะอันนี้อันเดียวกันครับวิชากระยานเป็นอันเดียวกันเป็นไวยพด์กล่าวเป็นคู่คู่หนึ่งคู่สองสามคู่สี่ห้าคู่หกเจด็ด เป็นผู้บรรลุกระแสแห่งธรรมกระแสท่านใช้คำว่าโสตธรรมโสตคำว่ากระแสแห่งธรรมกระแสที่ใช้ในธรรมะเนี่ยบางแห่งกระแสหมายถึงตันหาผู้ไปตามกระแสคือไปตามกระแสตันหาของโลกผู้ทวนกระแสก็คือทวนกระแสของโลกแล้วก็ผู้ข้ามกระแสคนจาก ตันหาอันนั้นกระแสที่ใช้ในความหมายว่าตันหากระแสอีกอย่างหนึ่งเป็นชื่อของนิพพานที่เรียกว่าผู้เข้าถึงกระแสนิพพานอย่างเช่นโสดาบันและแต่กระแสในที่นี้ท่านหมายถึงมักคขยานผู้ที่บรรลุมรรคในชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสธรรมคือมักคขยานต่อไป เป็นพระอริยะมีปัญญาเครื่องชำรกกิเลสถามว่าที่ว่ามีปัญญาเครื่องชำรกกิเลสเนี่ยอ่านแล้วนึกภาพพจน์ว่าไงชำระ ก, กิเลสชำรกกิเลสออกหรือชำรกออกจากกิเลสชำรกออกจากกิเลส เหมือนเหมือนกั บ, กบลูกไก่ที่เจาะกระป๋องฟองไข่ออกมาชั้แรกคล้ายๆอย่างนั้นปองไข่เหมือนกับกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นตัวไก่เหมือนกับพระอริยะหรือญาณของพระอริยะที่ชั้แรกออกกี่เลยก็คือการละกิเลสปัญญาละกิเลส ข้ามพ้นจากความเป็นปุถุชนมาสู่ความเป็นอริยะและเก้าที่ใช้คําว่าอยู่ชิดประตูนิพพานบ้างนิพพานอันหนึ่งประตูนิพพานอันหนึ่งเนี่ยนี่ผมว่าตามตรรกะพูดนะทั้งหมดแต่ละข้อเนี่ว่าตามตรรกะพูดอะไรเป็นประตูนิพพาน นิพพานนะ่ยไม่ต้องถามว่าอะไระเพราะยังไงก็ไม่รู้อยู่แล้วอะไรเป็นประตูนิพพานบางแห่งเราได้ยินอัตถกาถาเปรียบเทียบว่าสติปัฏฐานสี่เป็นประตูเข้านิาพพานแต่ละประตูสี่ประตูใช่ไหมเจ้แต่ในที่นี้นะ่ะก็มีสี่ประตูท่านหมายเอามัคเป็นประตูนิพพานคนบรรลุมัค ชื่อว่ายืนคิดประตูนิปานสติปฐานสี่นะเป็นบุพภาภามากักจะว่าประตูก็เห็นจะเป็นประตูชั้นนอกยังไม่ใช่ประตูชั้นในประตูนี้เป็นประตูชั้นหนเรื่องในเรื่องนอกนี่ผมนึกพูดเอง อ่าสูตรนี้ก็พูดเท่านี้สำหรับสูตรถัดไปที่ชื่อว่าพิกขุสูตรนะฮะมีเนื้อความบางอย่างใกล้กันบางอย่างต่างกันบ้างเล็กน้อยอ่าสูตรพริกขุสูตรนั่นก็ส่วนใหญ่จะคล้ายกับสูตรแรกที่เรียกว่าพิกขุสูตรเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุ จึงเรียกกับพี่กูสูตรเท่านั้นเองนะและสูตรต่อไปสูตรที่มีชื่อว่าปฐมสมณพรามสูตร อ, อันนี้ก็เป็นการกล่าวถึงผู้เป็นสมณะพระผู้ไม่เป็นธรรมะพรามถ้าไม่รู้ปฏิจจะหรือไม่รู้ปฏิยาการและผู้ใดเป็นตรรมะพรามผู้ ร, รู้ปฏิยาการ อันนี้ผมว่าเราๆไปเดียวเูาจะขมวดข้อสำคัญๆคัญให้ฟังย้อนกลับไปหลังอีกสูตรหนึ่งทุติยะสมณะรามเป็นสูตรที่สองที่มีชื่อเดียวกันปฏิจจะเนี่ยในสูตรนี้ได้บอกว่าปฏิจจะเนี่ยเราควรจะล่วงควรจะเอาไว้หรือควรจะหลุดพ้นจากปฏิจจะ เอาความว่าปฏิจจานเป็นของดีไหมเป็นที่หมายที่เราจะต้องรู้เพื่อทาลงปฏิจจาว้หรือเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้เพื่อละปฏิจจ์รู้เพื่อละปฏิจจ์เพราะปฏิจจาก็คือนามรูปนามรูปก็คือขันธมารของเรานี้เองคือปฏิจจ์และเรารู้ในรู้เพื่อสลัดเพื่อละทริงไม่ใช่รู้เพื่อเจริญเพื่อเอาไว งนั้นถ้าใครไม่รู้ก็ยังพ้นจากปัจจิตจาะไม่ได้พ้นอวิชชาพ้นทั้งขานพ้นวิญญาณพ้นเจลาโมานาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นถ้ารู้เมื่อไหร่ก็พ้นได้พ้นได้เป็นส่วนๆไปอ่าผมจะสรุปสั้นๆให้ให้ดูนะครับระหว่างสูตรทั้งสี่สูตรนี้ว่าสูตรไหนกล่าวโดยประเด็นหลักอย่างไรสําหรับสูตรแรก สูตรแรกที่คือปัฏิยาสูตรเนี่ยนะฮ ะ, สะแสดงองค์สิบสององค์สิบสองหมายถึงอวิชาจนถึงชจาและมรณ ะ, สะแสดงโดยนี่เราจับประเด็นจากในสูตรของสูตรที่หนึ่งนี่นะฮะโดยอนุโลมเทศนาหมายถึงสแสดงตั้งแต่อวิชาจนกระทั่งถึงชราโมระในส่วนที่หนึ่งของสูตรนี้ เริ่มต้นก็แสดงอย่างนี้ก่อนแบบสมูทัยสมูทั ย, ยาวานหมายความว่าอาวิชาเป็นเหตุให้เกิดสังขาร น, นี่แหละเรียกว่าสมูทัย<ม>การกล่าวว่าอาวิชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารเนี่ยเป็นการกล่าวตามลําดับและกล่าวสายเกิดเกิดทุกสายสมูทัยทั้งสิบสองอดังนั้นต้นสูตรจะมีเนื้อความนี้ก่อนถัดมาประเด็นถัดมา มีการนิยามองสิบสองตามลำดับ้ไม่ใช่ตามลำดับย้อนลำดับแทนที่จะนิยามอาวิชชาคืออะไรก็นิยามว่าชารามรณะองค์ทั้งสิบสององค์แต่ว่าในสูตรนี้เราย่อไว้เฉพาะองค์แรกกับองค์หลังสุดเท่านั้นพร้อมทั้งแสดงเหตุเกิดองค์ก่อนด้วยองค์ก่อนๆหมายความว่า ที่สังที่ชรลาโมรณะเกิดมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดชาติเป็นเหตุให้เกิดชาติมีอะไรเป็นเหตุหเกิดก็ย้อนกลับไปอย่างนี้<ม>เป็นการแสดงสายเกิดแล้วจึงแสดงสายดับว่าเพราะชาติดับชรลาโมรณะจึงดับอะไรเป็นเครื่องดับมักแปด เรื่องมรคแปดเนี่ยพูดว่ามรคแปดมรคแปดจนเสื่อแล้วเราก็ฟังแล้วไม่ซึ้งอย่างที่ว่านี่ศิษชอบถามมาว่าเออทาทําฟังอ่านมาจนแล้วมาเห็นมีอะไรพิเศษเลยมรคแปดมรคแปดก็คือศีลสมาธิปัญญาและศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คือกระบวนการของการปฏิบัติกิจสภาวนาการปฏิบัติภาวนามีอนุภาพอย่างไรมรคแปดมีอนุภาพอย่างนั้นแหละ เพราะนั้นมรรคแปดจึงหมายถึงองค์ประกอบหรือคุณสมบัติแห่งจิตภาวนาที่ผู้ปฏิบัติแล้วได้ได้ถึงความดีและได้ความดีติดสันดานไปแปดประการโดยส่วนหลักนี่นี่ประเด็นที่สองต่อไปประเด็นที่สามในสูตรนี้อีกทีเดียวกันแสดงสังเขปโดยในแห่งจัดตัดจาดสีที่ว่าอริยสาวกเมื่อรู้อย่างนี้คือรู้ตัวปัจจัยรู้เหตุเกิด เป็นการสังเกตเป็นเชิงหรือโดยในปฏิในสัจจะสี่อย่างที่เราอธิบายเมื่อกี้นะและสุดท้ายเลยคือแสดงฐานะของผู้รู้ปฏิยาการ mm hmm. ผู้รู้อย่างว่าผู้ที่รู้ด้วยอํานาจของมรรคยานแล้วเนี่ยถึงฐานะอะไรท่านกล่าวถึงด้วยอํานาจของ ผลได้ทางปัญญาเป็นส่วนใหญ่หลายข้อเป็นผลได้ทางปัญญาแล้วก็ผลได้ในทางการทำละความชั่วและผลได้ในทางบรรลุพระนิพพานย่อๆก็มีสามส่วนในในในหลาย ๆ, ๆข้อที่เราอธิบายจบเมื่อกี้นี่คือสูตรที่หนึ่ง ท้ายกันคือเบื้องต้นก็แสดงองค์โดยเติโลมโดยในแห่งในสัจจะสี่เลยแต่สูตรสูตรแรกเนี่ยมันก็จะเห็นว่าจุดต่างระหว่างสูตรแรกกับสูตรสองอันนี้ก็เพียงแต่เพื่อให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเวลาทรงสเสนาเรื่องปฏิจจาสแสดงยักย้ายเป็นหลายแบบก็ตกลงสองสูตรเนี่ยเนื้อหาทั้งหมดเหมือนกัน แต่การลำดับประเด็นมีลักลั่นกันบ้างนิดหนึ่งต่อไปสูตรที่สาปฐมสมณะรามสูตรองค์สิบสองโดยปฏิโลมเจศนาและโดยในแห่งสัจจะสีเหมือนกับสูตรเมื่อกี้ใ น, ในประเด็นแรกแต่หลังจากแสดงแล้วไม่มีการนิยามอะไรอะไรเลยก็พูดถึงผู้ผู้ไม่เป็นรามไม่เป็นสมณะรามอันนี้ต้องการจะให้ความหมาย ของคำว่าสมณะปราหมณ์อย่างที่พระพุทธเจ้าประสมว่าสมณะปราม์ตมณนพราหมแท้แท้เนี่ยไม่ใช่ตักแต่เป็นชื่อเรียกกันมีคุณสมบัติรับรองด้วยต้องรู้อะไรก็คือรู้ปฏิจจ์โดยในแห่งปัิจจสีหรือเอาความก็คือต้องบรรลุมรรคนันเองต้องบรรลุมั่งขยันจึงจะเป็นสมณะปรามดัะนั้นผู้ ไม่รู้ก็ไม่เป็นผู้รู้ก็เป็นสัมมณะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อใดทรงตรัสว่าสมณะรามบางครั้งทรงจะหมายเอาอริยคุณก็จะไม่ได้หมายถึงคนอื่นและสูตรที่สี่คือทุติยสมณะเริ่มต้นก็แสดงเหมือนกับสูตรเมื่อกี้แสดงองค์สิบสองโดยปฏิโลมก็จะเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยางทีก็อนุโลมบางทีก็ปฏิโลมอย่างสูตรแรกๆนั้น อนุโลมนี่ปฏิโลมคือแสดงย้อนองค์กลับก็แสดงในเชิงสัจจะสี่แทรกเข้าไปเลยทีนี้ท้ายสุดเนี่ยที่เป็นข้อต่างกระสูตรที่หนึ่งเมื่อกี้คือประถมสมณะารามสูตรคือตรัสว่าคู่ไม่รู้ไม่พ้นจากปัจเยบคือไม่พ้นจากอาวิชาจากสังขารจากวิญญาณเป็นต้นจนถึงรามรนมรณะ คู่รู้พ้นจากปัจจัยการก็เอาความว่าพ้นจากวัตฏสงสารหรือจะเรียกว่าพ้นจากกรรมวัดวิปากวัดกิเลสวัดเวลาพ้นต้องพ้นทั้งสามจะพ้นแต่กิเลสอย่างเดียวไม่ได้ต้องพ้นจากวิบากด้วยแล้วก็ต้องพ้นจากกรรมด้วยไอ้อหลักตรงเนี้ความจริงมันเป็นเรื่องที่ พอเราเริ่มต้นปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นๆเนี่ยมันก็จะต้องมีการละไอ้ส่วนหยาบๆกันทุกคนเราอาจจะไม่ไม่มีภูมิที่จะไปอยากละหรือประสงค์จะละในส่วนที่มันสูงเกินไปเรามาพิจารณาดูนะว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแป ล, ง, ปลงการละความประพฤติกรรมกระทากรรมบางอย่างที่หยาบมออกไปได้ใช่หรือไม่โดยฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสัตว์ กระทั่งบางคนเคยตบยุงก็ไม่เคยก็ไม่ตกยุงอย่างนี้บางคนก็ยุงยังตบแต่ไม่ตบคนข้ออื่นๆเหมือนกันและวิบากแก้ได้ใช่หรือไม่ในบางส่วนวิบากโดยเฉพาะอากุศลวิบากวิบากไรแรงใช่ไหมแก้ได้เอาชนะได้ที่เรียกว่าเอาชนะวิบากแก้กรรมอา่านี่ก็จริงอีก ชีวิตก็ดีขึ้นกิเลสเพิ่มขึ้นหรือลดลงสติปัญญาอะไรก็ดีขึ้นจิตใจดีงามขึ้นอันนี้นี่จะเห็นว่ามันค่อยๆละค่อยๆคลา ย, ย, ย, ย, ยตั้งแต่ที่เราเข้าใจได้ยอมรับกันได้สนิทใจอย่างคนธรรมดาทั่วไปทีนี้พอทําสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันละละเอียดขึ้นไอก้กิเลสที่เราเคยไม่อยากละมันก็ต้องละเต็มใจละถึงตอนนั้นเข้ากรรมที่เอาชนะไม่ได้มันก็ทั้ง ถึงจุดสูงสุดเข้าทำอะไรก็ไม่เป็นกรรมเลยไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยเลยไม่มีกรรมทำอะไรก็ไม่เป็นกรรมไม่เอาไม่เอาบุญเอาคุณอะไรแม้กระทั่งเอาบุญเอาคุณ ก, ก, กับกรรมก็ไม่เอากิเลสก็หมดสนิทเลยนี่ก็หมายว่าเราชัดแค่ไหนเราก็แค่นั้นถึงบอกว่าเวลาเราชวนคนเข้าทำเนี่ยต้องชวนจากสิ่งที่เขายอมรับได้ไอ้กรรมกิเลสที่บาปเนี่ยนะ ที่เขายอมรับอย่าไปอ้างเอานิพพงนิพานอะไรอะไรเขาไม่เข้าใจหรอกหรืออย่าไปบอกว่าอีกหน่อยคุณก็จะทําอะไรแล้วไม่เป็นกรรมเลยทําดีก็ไม่ได้ดีเลยเขาก็คิดไม่ออกใส่บาทแล้วลอยหายไปทั้งทั้งขันทั้งสํารับเลยไม่ได้อะไรเลยตายแล้วก็ไม่ต้องเกิดไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนด้วยหรอคุณเขาก็ไม่เอาไม่เข้าใจเพราะนั่นเรื่องภูนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่เข้าใจ หลักสูงที่ท่านพูดกับพระท่านก็พูดอย่างเป็นหลักเป็นนั้นว่าหมดเวลาพอดีจะต่อกันในคราวหน้าอีกครั้งหนึ่งระสูตรนี้เราหมดแล้วนะจบแล้วแต่จะขึ้นวักใหม่ซึ่งจะมีอีกสิบสูตรต่อไป